แต่เก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติอะไรเนี่ยนะวันนั้นไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเพราะว่าไม่มีผู้แนะนําว่าเวลาทําบุญทํากุศลนั้นควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายด้วยคําว่าอุทิศส่วนกุศลนั้นก็คือยกบุญที่ได้ทํานี้ให้แก่ญาติในในคนะคนะโลกนะคนละก ล, ะ ล, ะละ่าวว่าคนละภพคนละภูมิเหมือนกันเถอะพันญาติของพระเจ้าพิมพ์พิสารเมื่อเก้าบกัปที่แล้วเนี่ยน ะ, นะนะเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวัปุสสะ สมัยนั้นเนี่ยเชเดนสามพี่น้องเนี่ยเป็นเป็นลูกของพระราชาพระราชาพระองค์หนึ่งอ่ะนะมีมีบุตรบุตรของท่านนั้นอ่าก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก็มีอ่อน้องชายต่างมารดาของพระพุทธเจ้าก็คือเนี่ยอดีตชาติของพระอุรุเวและกัสปะนะซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้บวชถืสินสิบตลอดพรรษาประพฤติปฏิบัติธรรมในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทสะ ในในระหว่างนั้นเนี่ยนยะเจ้าชายโดยเฉพาะเจ้าชายอุรุเวลกัสปะเป็นต้นเนี่ยนาทีกัสปะขยากัสปะพร้อมกับทหารเนี่ยออกมาบวชถือศีลสินสเนี่ยนะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดสาเดือนก็เลยแต่งตั้งให้หัวหน้าที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าคนงานหรือหัวหน้าคนเก็บสวยของตัวเองคืออดีตชาติของวิสาขาเศรษฐีกับอดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสาร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 เมื่อไหร่จะได้บริโภคอาหารก็หลายกันนะจนมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามวัคษาปะก็บอกว่ารอแผ่นดินสูงประมาณหนึ่งยอดสามาวุธก็เฉลี่ยสัก20กิโลเนี่ยนะแผ่นดินสูงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจะมาอุบัติญาติของเธอจะเป็นพระราชานามวาพิมพิสารจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตพวกนี้ก็อดใจรอมานานพอมาถึงวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายอาหารเนี่ยเพราะตัวเองก็นึกไม่ออกนะเพราะมันกี่กลับมาแล้วก็ไม่รู้ญาตนะ ญาติแต่ปางไหนชาติไหนก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพูดแบบภาษาเราเรียกว่าไม่ได้กรวดน้ําเนี่ยนะที่คุ้นเคยก็คือไอ้กิจกรรมการกรวดน้ําไม่ได้กรวดน้ํายกบุญอันนี้ให้ให้แก่ญาติญาติก็เลยมาเอะโวยวายเขย่าบ้านเขย่าเมืองทั้งคืนเลยพระชาพิมพ์พิสารเนี่ยนอนไม่หลับเลยคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ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 ก็ครั้งนั้นสารีบุตรและพระโมคขลานะประพฤติพรหมจันทร์อยู่ในสำนักของสันชัยปริพาโชคภาษาสารีบรเนี่ยกล่าวว่าท่านก็ออกบวชเนี่ยนะคือท่านก็เป็นลูกเศรษฐีของอุปติสักามกับโกริตะคามเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นลูกของเศรษฐีที่มีทรัพย์มากแต่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปดูละครไปดูละครที่เรียกว่าดูการละเล่นเนี่ยดูไปดูมาก็ดูเออคนแสดงเนี่ยนะ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 มาบวชนี่ก็บวชอยู่ในสำนักของอาจารย์สันชยัยเรียนอยู่สองสามวันก็จบวิชาหมดเลยบอกอาจารย์ลัทธิของอาจารย์มีเท่านี้หรือ etry? บอกใช่เธอเนี่ยเรียนจบแล้วภาษารียบบทพระโมฆลลานะบอก Wilson. มันไม่ใช่นะลัทธิอันนี้จริงจริงลัทธิของอาจารย์สัญชัยเนี่ยลัทธิปะาไหลไม่รู้รวภาษารียบบทไปอยู่ได้ยังไงยังแปลกใจเลยนะบอกว่าเขาถามมาท่านว่าเป็ sunset, <c ute> เปนกุศลใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าเป็นอกุศลใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่า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 สแสวงหาโมฆะธรรมก่อนใครบรรลุอมัฏธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกอีกคนหนึ่งภาษารีบุตรนี้ก็เที่ยวสแสวงหาอาจารย์เนี่ยนะเที่ยวสนทนาลัทธิต่างๆอยู่9ก้าสบห้าอาจารย์อาจารย์แรกๆก็ไปฟังดูเขาว่าไงว่าข้งางหลังหลังสุดเนี่ยไปเที่ยวต่อปัญหาพวกอาจารย์เจ้าลัทธิก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยกลับมาเมืองราชคฤกตามเดิมเขาเรียกว่าเที่ยวแสวงหาอาจารย์เพราะว่าในพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่จะบรรลุได้ด้วยลําพังด้วยตัวเองมีสองท่านเท่านั้นคือ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 เหมือนโคเขาขาดคือโคที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแต่ไม่มีเขาเนี่ยนะก็จะเดินด้วยกิริยาที่สงบภาษาบุตรปริภาชกเนี่ยนะได้เห็นพะอาสชิกำลังเที่ยวบินธบาตในพระนครราชครึกมีมารยาทก้าวไปถอยกลับแปลเหลียวคู่แขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมสายมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็มีความคิดว่าบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลาย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 หรือท่านชอบใจธรรมะคือลัทธิของท่านผู้ใดลัทธิคือชอบทิฐิของใครอ่างนั้นน่ะถือเอาทิฐิของใครเป็นประมาณแต่ก็คิดว่าเอถ้าเราเข้าไปเวลานี้ไม่สมควรนะท่านเป็นผู้มีปัญญามากนะก็เลยว่าเวลาที่จะเข้าไปทําในจังหวะช่วงเนี้ไม่สมควรเพราะท่านกําลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบินธบาติเพราะฉะนั้นเราพึงติดตามทิกษูรูปนี้ไปข้างหลังไปข้างหลังเพราะ เป็นทางผู้อันมุ่งประโยชน์ทั้งหลายต้องสนใจเพราะน้นก็เห็นเลยว่าโอ้คนนี้มีของมีมีอริยะคุณมีคุณธรรมมีอะไระท่านเป็นผู้สา ม, มารถให้ประโยชน์แก่เราได้เพราะเราต้องติดตามท่านไปเนี่ยนะเรียกว่าไม่อะไรนะเห็นเห็นอะไรที่มันมีค่าที่สุดก็ควรจะติดตามไป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 คือบินธบัตกลับไปแล้วนี่นะก็พระสารีบุตรปริพาชก็เข้าไปหาท่านรพระอาสชิเธอคือพระอาสชิไปถึงนะไปหาที่ที่มันสปายะแห่งหนึ่งก็นั่งฉันไปเมื่อนั่งฉันพระสารีบุตรก็ไปจัดแจงเสนาสนะคอยถวายนา้ำคอยอะไรคอยปรนิบัติรับใช้พระอัสชิพอพระอัสชิฉันเสร็จรสารีบุตรปริภาชก็เข้าไปหาแล้วก็พูดจาปราศัยกับท่านพระอสชิ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 ชื่อเสียงของการที่ท่านสละวังออกบวชเนี่ยนะโด่งดังไปทั่วไปหมดมันอ้างว่าผู้นั้นแหละคือาศาสดาของเราเนี่ยนะคือศักยบุตรน่แหละเป็นาศาสดาของเราทีนี้ที่สำคัญภาษาริบวชก็ถามต่อว่าก็าศาสดาของท่านสอนอย่างไรแนะนำอย่างไรเนี่ยนะ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 พราหันทั้ง60รูปหกรวมทั้งพระองค์เนี่ยไปเผยแพ่พระพุทธศาสนาภาคสิ้นนี่ก็ท่านก็จาริกไปแล้วก็ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ประทับอยู่ที่เวลุวันกาลันทกะนิวาปะสถานท่านก็เลยจะเข้ามาเฝ้ามากราเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็หลังจากที่เข้าเฝ้าเสร็จก็ไปบินทบาทฉันนะฉันอยู่ในเมืองพระสารีบุตรก็ไปเห็นพอดีก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานจริงพระพุทธศาสนาก็ยังมีไม่นานเหมือนกันเลยนะ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 ตอนแรกก็บอกเอาแต่ใจความก็พอนะพอฟังใจความแล้วขยายหน่อยไม่ได้หรืออย่างเงี้ยนะตอนแรกก็บอกเออขอแต่ใจความขอแต่อัฏฐสาระเนื้อหาที่มันตรงตัวไปเลยแต่พอพูดจบปับ๊บแบบขยายหน่อยไม่ได้หรื อ, องเงี้ยพระสัชชิก็กล่าวธรรมปริยายนี้เป็นคถาว่าเยธรรมมาเหตุตุปปภาเยสังเหตุงตถาคโตอาหะเป็นต้นเนี่ย น, นะบอกว่าธรรมเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเยธรรมมาเหตุตุปปภาวเนี่ย น, นะ ทาเหล่าใดมีเหตุเป็นแรนเกิดพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นอันนี้ฟังเข้าใจไหมว่าเป็นการกล่าวทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เรียบร้อยแล้วย่อมมาเหตุตุปภวาเยธรร ม, มรารรมมก็คือธรรมทั้งหลายหรืออุปาทานขันหะก็คือต้องไม่ลืมว่าพระสารีบุตรท่านมหาอะไรท่านมหาธรร ม, มะเป็นที่ไม่ตาย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 สมุทัยศัตร์เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปาทานกันห้าถ้าดับก็ไปเพราะเหตุดับท่านก็ฟังและโสดาปฏิมัติเห็นอริยสัจเลยพอบรรลุอริยสัจเป็นพระโสดาบันเท่านั้นพระสารีบุตรก็กล่าวว่าธรรมนี้แหละท่านนี้ผานนี่แหละถ้ามีก็เพียงเท่านั้นท่านทั้งหลายจงแทงตลอดบทอันหาความเศร้าโศกไม่ได้บทอันหาความเศร้าโศกมิได้พวกเรายังไม่เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับ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 ชีวิตล่วงเลยมาแล้วล ห, หลายหมื่นกับเนี่ยนะหามาหลายหมื่นกลับแล้วนะของเราเนี่ยหาเมื่อไหร่เนาะเริ่มหาจริงๆอะหาเอ้หาธรรมะที่พ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตเนี่ยเริ่มตั้งเมื่อไหร่เริ่มตั้งเ ม, งมืออ่อไหร่ต้องนะฮะมันเอาจริงๆนะมัน เ, เอ๊ะจะจะหาหาจริงหรือว่างั้นอะที่พ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาธรรมะที่พ้นจากความตาย เคยไปงานศพมาเห็นศพปั๊บเนี่ยนึกเลยว่าเราจะต้องต่อไปเราต้องตรัสรู้ทำเป็นที่ไม่ตายเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมถ้าคิดอย่างนี้บ้างก็อาจจะเชื่อไนดะ้ว่าจริงอ่ะนะแต่ถ้าแบบไปงานศพก็เออก็ศพก็ไม่ใช่ศพเราก็แล้วกันอ่ ะ, อะนะก็ศพคนนั้นศพคนนี้เราไปร่วมบางสกุลไปลก็ถ้าอย่างนี้ก็อีกนานอ่ะนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกอก็อยู่นานอยู่แล้วล่ะแต่พูดถึงว่าถ้าคนที่มีใจมีอัธยาศัยจริงๆเนี่ยก็บอกพอเห็นชรามรณะปั๊บ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 นิสรณนัตทยาศัยดูท่าจะมีกำลังแต่ถ้ายัางนั้นก็อินระีอ่อนมากนะถ้าอินรีอ่อนมากขนาดนั้นทำยังไงก็มีอย่างเดียวก็บ่มอินรีต่อไปเนี่ยนะเว้นแต่ตาไม่ต้องบ่มมากมันก็แก่อยู่แล้วแะแต่พูดถึงว่าถ้าศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องบ่มต่ อ, ตอไปถามว่าบ่มได้ยังไงวิธีบ่มศรัท ธ, ธาบ่มศรัท ธ, ธาเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามศึกษาว่า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 ในพระไตรปิฎกท่าพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุเส ม, มอว่าสะพายใหม่นะต้องไม่ลืมก็คือหมายความว่าจะต้องเข้ามาเป็นตัวเหมือนคนใหม่เหมือนไม่เคยได้ยินเนี่ยนะเพรามาเนี่เคยอย่างพระสู่ทั้งหลายเนี่ยวันไหนที่อ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องวันไหนรู้ไหมวันที่อวดว่าตัวเองเป็นบัณฑิตอุ้ยเล่เรื่องนี้ก็อ่านแล้วพิกนี่ก็อ่านแล้วนี่ก็อ่านแล้วนี่ก็อ่านแล้วนี่ก็รู้แล้วนี่ก็รู้แล้วนี่ดูสิเนี่อหัดหนึ่งของสามสี่ห้ารู้หมดละววันนั้นนะ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 จบอะไรนะยาตะปริญญาตีรณนะปริญญาปานะ hana ปริญญาพันตัวอริยมรรที่มาทํากิจปะหานะปริญญานั้นเมื่อไหร่การศึกษาธรรมะอันนั้นที่สําคัญมากที่สุดก็คือพยายามพยายามตั้งใจเลย ว, ว่าเขาบอกว่าคนสมัยก่อนพอเขาฟังปั๊บเนี่ยบอกสาธุพุทธสุโภ ธ, ธิตาเขาว่าสาธุดีแล้วความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเขาเข้าใจนะว่าผู้ทธจ้ตรัสรู้อะไร พวกเราบอกว่าอริยสัจรู้แล้วว่าอริยสัจและอริยสัจมันลุย่าอย่างไงเนี่ยนะทําไมเราก็เห็นคนแก่คนตายไปตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วก็รู้ว่าตัณหามเป็นโลภะรู้ว่าถ้าดับสิ่งนี้ได้เนี่ยมันพ้นทุกข์ทําไมเรารู้อย่างนี้ทําไมเราไม่เรียกว่าเราเห็นอริยสัจบ้างมันเกิดอะไรขึ้นพยายามตั้งคํำถามบ่อยๆเนี่ยนะเรียกว่าปริปุชชาถ้าคนที่ไม่รู้จักตั้งคําถามเลยอะนะก็